ได้ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์ทรงสแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นทรงสแสดงธรรมมีเหตุ อันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงสแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์อันหมายถึงว่ากำจัดข้าศึกคือกิเลสได้จริง สมจริงตามที่ทรงสั่งสอนเป็นข้อที่ใครๆจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นข้อที่งดงามในเบื้องตน้นงดงามในทํามกลาง งดงามในที่สุดแสดงพรมจันท์คือศาสนาอันหมายถึงทั้งที่เป็นคำสั่งสอนทั้งที่เป็นการปฏิบัติทั้งที่เป็นผลของการปฏิบัติ ที่บริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดถูกต้องทั้งหมดที่บริบูรณ์คือไม่มีบกพร่องสมบูรณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งอัฏฐะคือเนื้อความ รอมทางพยัญชนะคือถ้อยคำดังรวมเข้าในคำว่างดงามในเบื้องต้นในถ้มกลางในที่สุดนั้นอันหนึ่งแม้ว่าจะเป็นความสัตว์ความจริง แต่เมื่อไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ตรัสแสดงทั้งเมื่อไม่ถึงกาลละที่จะควรแสดงก็ไม่ตรัสแสดง ต้องเป็นความสัตย์ความจริงด้วยเป็นประโยชน์ด้วยและต้องโดยกาลคือการเวลาหรือเรียกรมวมาต้องในกาลเทศะจึงจะตรัสแสดง เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นสัจจะคือเป็นความสัตย์ความจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม คือเป็นความจริงด้วยเป็นความถูกต้องด้วยฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นข้อที่ สมควรที่จะสดับตรับฟังสมควรที่จะได้พิจารณาไตรตรองให้มีความเข้าใจและสมควรที่จะรับมาปฏิบัติ เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะบรรลุถึงประโยชน์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ปัจจุบันบ้างสัมปราชิกัตถประโยชน์ภายในบ้างปรมาถประโยชน์ประโยชน์ที่เป็นอย่างยิ่งบ้าง ซึ่งเป็นส่วนผลและทั้งได้ชื่อว่าประพฤติธรรมที่ควรประพฤติเพราะเป็นความสัตย์ความจริงเป็นความถูกต้อง อันจะเป็นเหตุให้ประสบประโยชน์ดังที่ตั้งใจจะได้จะถึงนี่แหละคือตัวปาฏิหาริย์ของธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในการที่จะรับมาปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเป็นภูมิศรัทธา ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นเมื่อเป็นดังนี้ การปฏิบัติจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะการปฏิบัติธรรม ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทบแต่ไปปฏิบัติให้ผิดไปตามโลกอันหมายถึง บุคคลทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกหรือว่าให้ผิดไปตามความเห็นผิดของตนเองการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ไม่สมควรแก่ทำก็ไม่สำเร็จประโยชน์ ต่อเมื่อไม่ปฏิบัติให้ผิดไปตามโลกไม่ปฏิบัติให้ผิดไปตามความเห็นผิดของตนแต่ว่าใช้ศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้อง คือเป็นความเชื่อที่เป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ทั้งประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องดังนี้แล้วการปฏิบัตินั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงจำที่จะต้องโปรกศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้องในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าเชื่อปัญญาของครูเมื่อเชื่อปัญญาของครูแล้วก็จะทำให้ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครู ทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าคําสั่งสอนของครูย่อมถูกต้องเพราะครูเป็นผู้ที่รู้จริงเมื่อรู้จริงก็ต้องถูกต้องแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจ เพราะยังมีได้ปฏิบัติให้ได้ให้ถึงก็ทำศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนเหมือนอย่างคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนถึงเรื่องกรรมและผลของกรรม ทรงสั่งสอนถึงโลกุตรธรรมธรรมะที่เหนือโลกคือมรรคผลนิพพานแม้ว่าจะยังไม่ได้ญาณหรือปัญญา รู้อดีตรู้อนาคต ร, รู้ปัจจุบันอันจะอย่างทราบผลของกรรมได้และยังไม่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นโลกุตระธรรมเพราะยังอยู่ในโลก ยังอยู่กับโลกิยะคือสิ่งทั้งหลายที่พัวพันอยู่ในโลกก็ทำความเชื่อเอาไว้ก่อนว่ากรรมและผลของกรรมมีจริงตามที่ทรงสั่งสอน และโลกุตตรธรรมมักผลนิพพานมีดังนี้เป็นศรัทธาแต่ศรัทธาความเชื่อดังนี้เรียกว่า เป็นอธิมโมกคือน้อมใจเชื่อไปก่อนโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยตนเองแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณคือความพิจารณาให้เกิดความอย่างรู้ไปโดยลำดับตามเหตุและผล เพราะว่าเมื่อพิจารณาไปตามเหตุและผลโดยลำดับแล้วย่อมจะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องอันเป็นตัวปัญญาไปโดยลำดับ และเมื่อได้ปัญญาไปโดยลำดับแล้วก็จะทำให้ความเชื่อที่เป็นศรัานั้นเป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ไปด้วยก็เป็นอันว่าต้องอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาควบคู่กันไปแต่ว่า ถ้าหนักไปในทางหนึ่งเกินไปคือหนักไปในทางศรัทธาคือความเชื่อเท่านั้นไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะกลายเป็นคนศรัทธาจริต คือมีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนอันทำให้ขาดปัญญาหรือว่าถ้าจะหนักไปในทางปัญญาเท่านั้นจะต้องรู้ต้องเห็นจึงจะเชื่อไม่เช่นนั้นไม่ยอมเชื่อ ก็จะกลายเป็นพุทธิจริตคือมีความรู้เป็นเจ้าเรือนเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะว่า จะทำให้ไม่ยอมรับปฏิบัติในสิ่งที่ถูกอันตนเองยังไม่รู้เพราะว่าอันความรู้ของแต่ละบุคคลนั้นเมื่อยังมีอวิชชาโมหะอยู่ ย่อมประกอบด้วยความรู้ผิดเข้าใจผิดอยู่อีกเป็นอันมากแม้เพียงเป็นเรื่องที่จะพึงรู้ด้วยตาด้วยหูก็ตามสิ่งที่ตาของตนเองยังไม่ได้เห็นและที่ยังไม่ได้ยินด้วยฟังก็มีอยู่ไอีกเป็นอันมาก แต่อันที่จริงนั้นสิ่งที่ตนเองไม่ได้เห็นสิ่งที่นินโอนตนเองไม่ได้ยินเป็นต้นมีอยู่มากมายกว่าที่ได้เห็นกว่าที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการ กล้องสำหรับส่องสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่ตามองไม่เห็นให้เห็นหรือว่าใช้เครื่องสำหรับที่จะทำให้ได้ยินสิ่งที่อยู่ไกลๆให้ได้ยินดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันราะฉะนั้น ลำพังความรู้ของตนเองเท่านั้นไม่พอจึงต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อจากคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ในเรื่องนั้นๆแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณคือความพิจารณาใจ ต, ตรองไปตามเหตุผลให้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นตัวปัญญาของตนเองขึ้นไปโดยลําดับเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้มีทั้งศรัทธาให้มีทั้งปัญญาดังกล่าวและก็ทรงสั่งสอนให้ไต่ถามสอบคน้นในสิ่งที่สงสัยในสิ่งที่มีปัญหา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปการไต่ถามการคนา้นคว้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ไม่ใช่ว่า จะเป็นตัววิจิตรขาซึ่งเป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นตัวกิเลสไปทั้งหมดส่วนที่เป็นตัววิจิกิจขาซึ่งเป็นนิวรณ์นั้นเป็นไปในอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ มีปริปุจฉาคือไต่ถามคนคว้าสอดส่องพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจในเมื่อไม่ต้องโดยเหตุก็ยังไม่ยอมรับเชื่อถือคือปฏิบัติ ต่อเมื่อต้องได้เหตุผลจึงยอมรับรับถือปฏิบัติเพราะว่าพุทธศาสนาที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องตน้นว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่คนรู้ควรเห็น อันหมายความว่าเป็นข้อที่รู้ได้และมีเหตุอันจะพิจารณาให้เห็นจริงได้ทั้งมีปาฏิหารคือปฏิบัติได้สมจริงดังที่ได้กล่าวแล้วจึงไม่พ้นวิสัยของปัญญาที่จะสอดส่องพิจารณา และเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ความเห็นท้องตนเองเป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะเข้าคันที่สามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นโลกุตรธรรมได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในเบื้องต้นศรัทธาอาจจะนำแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปต้องให้ปัญญานำและก็อาศัยศรัทธาตามเหมือนกันจึงจะบรรลุผลจนถึงที่สุดตามที่กล่าวดังนี้ เป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติทั่วไปและศรัทธาปัญญาดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นศรัทธาปัญญาของบุคคลที่เป็นศรัทธาจริตหรือเป็นพุท ธ, ธจริตแต่เป็นปัญญาเป็นศรัทธาของผู้ปฏิบัติธรรมอันถูกต้อง ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในการปฏิบัติธรรมนี้จิตเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ในพระธรรมบทว่าพันดานังจะบลังจิตตังเป็นต้นที่แปลความว่าจิตดิ้นรน วัดแขวงกระสับประสายรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาย่อมกระทำให้ตรงได้เหมือนดังลูกเหมือนดังช่างสอนดัดลูกสอน ปลาที่บุคคลจับยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำโยนไปบนพื้นย่อดินรนฉันใดจิตนี้ที่ บุคคลยกขึ้นสู่สมถวิปัสนาเพื่อละบ่วงแห่งมารก็ย่อมดินรนชั้นนั้นดังนี้ข้อนี้ตรัสสั่งสอน ให้ทุกทุกคนสุดทราบภาวะของจิตสามัญซึ่งยังไม่ได้อบรมว่าจะต้องดิ้นรนกัดแวงกระสับกระส่ายรังษายากหามยากและแม้ว่า จะย ก, กจิตขึ้นสู่สมถกรรมฐานมิปั ส, สนากรรมฐานก็ยังดิ้นรนอยู่นั่นแหละคือดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่บ่วงของมนันเพราะว่าที่ย ก, กจิตขึ้นสู่ กรรมาฐานนั้นก็คือยกขึ้นจากบ่วงของมานเหมือนอย่างที่ยกปลาขึ้นจากน้ำโยนไปบนบกปลาก็ดิน้นเมื่อยกจิตขึ้นจากบ่วงของมานจิตก็ย่อมดิน้นปลาดิ้นคู่เพื่อติง ก็เพื่อที่จะลงน้ำจิตดิ้นก็เพื่อที่จะลงไปสู่บ่วงของมันอีกแต่ว่าภูมีปัญญาก็ทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างลูกสอนดัดเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกสอนอันช่างสอนดัดลูกสอนนั่นก็ตัดไม้มาจากป่า มาเอาเปลือกออกทานน้ำมันย่างไฟใส่เข้าไปในง่ามไม้ดัดจิตก็จะไม้ที่คดที่งอก็จะตรงได้ทำเป็นลูกศรได้ จิตก็เช่นเดียวกันอยู่ในบ่วงของมานอันหมายถึงว่าอยู่กับการมคุณอารมณ์ทั้งหลายโดยปกติเมื่อยกจิตขึ้นจากบ่วงของมานไปสู่กรรมฐานก็จะต้องเอาเลือก ออกกล่าวคืออาศัยการปฏิบัติทุนดงคขวัดบ้างอยู่ป่าบ้างเป็นต้น